ลำดับการพัฒนาของจิตเมื่อเจริญสติไปเรื่อยๆจะมีปัญญาเห็นชัดว่ากายกับใจไม่ใช่เราวงเล็บเปิดแต่ยังไม่ปล่อยวางวงเล็บปิดก็จะได้รับผลของการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกลำดับแรกเป็นผลให้ไม่สร้างบาปอากุศล และพบทางเดินเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุดได้เรียกว่าพระโสดาบันเมื่อศึกษาปฏิบัติต่อไปก็จะสามารถละวางกายโดยไม่ไปยึดถือมาเป็นของเราอีกวงเล็บเปิดแต่ยังยึดถือใจเอาไว้วงเล็บปิดเรียกว่าพระอนาคามีจนลำดับสุดท้ายก็จะสามารถละวางกายและใจได้ในที่สุดและไม่ไปยึดถือเอาใหม่อีกก็จะพ้นจากทุกทั้งปวงเป็นพระอรหรันต